ถ้อยคำของหลวงพ่อในอป่าทำให้ท่านพระครูเกิดธรรมสังเวทอีกวาระหนึ่งท่านรู้ว่าหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต่อไปนอกเหนือจากที่ทำอยู่ก็คือ เผยแผ่พระธรรมคำสอนอันบริสุทธิ์ให้ชาวพุทธได้เข้าใจอย่างถูกต้องคือเข้าใจในพระสัทธธรรมอันหมายถึงธรรมะที่ดีธรรมะที่แท้ธรรมะของคนดีธรรมะของสัตบุรุษมีสามอย่างได้แก่ 1. ปริยัติสัทธธรรมสัทธรรมคือสิ่งที่พึงเล่าเรียนได้แก่พุทธพจน์ 2. ปฏิบัติสัทธรรม สัทธรรมคือสิ่งพึงปฏิบัติได้แก่ไตรสิกขาและสปฏิเวทสัทธรรมสัทธรรมคือผลที่พึงบรรลุได้แก่มรรคผลและนิพพานเรียกสั้นๆว่าปริยัตปฏิบัติและปฏิเวทเมื่อชาวพุทธเข้าใจในพระสัทธธรรมสามอย่างนี้แล้วจะสามารถรักษาพระาศาสนาไว้ได้หรืออย่างน้อยก็สามารถ ยืดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวออกไปอีกท่านตั้งปณิธานว่าจะทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังปัญญาให้กับงานอันยิ่งใหญ่นี้ม่ใช่เพื่อชาวพุทธเท่านั้นแต่เพื่อมนุษยชาติทั้งมวลที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของกันและกันอีกด้วย เรารู้ว่าเธอสามารถทำได้ดังที่ตั้งปณิธานไว้ลุงพ่อในป่ายังคงหลับตาพูดท่านรู้ว่าสิทธิ์กำลังคิดอะไรอยู่ยิ่งไปกว่านั้นยังพูดให้กำลังใจอีกว่าไม่ต้องห่วงนะงานนี้เธอจะมีผู้ช่วยฝ่ายต่างประเทศเขาเคยเกี่ยวข้องกับเธอมาหลายชาติ เป็นลูกสาวครั้งที่เธอเกิดเป็นคนอินเดียเมื่อเธอเป็นแม่ทัพสมัยอายุทยาตอนปลายเขาเป็นทหารคนสนิทและเป็นศิษย์ในปัจจุบันชาติสมพา์วัดป่ามะม่วงนึกไปถึงนายจันสมซึ่งชาตินี้คือนางสาววันวิไลบุตรีอาจารย์สริษคููบริจาครถตู้ให้วัดป่ามะม่วงเมื่อหลายปีมาแล้ว ลุงพ่อท่านคงจะหมายถึงโยมวันวิไลนะครับที่ลุงพ่อเคยเล่าให้ผมฟังว่าชื่อนายจันสมเขาตายไปเกิดที่นครสวรรค์พระบุญเฮียวเอ่ยขึ้นณนะบัดนี้ท่านสามารถพูดถึงหญิงสาวด้วยจิตอุเบกขาปราศจากความชอบความชังหลุงพ่อที่ท่านพูดถึงครั้งแรกหมายถึงลุงพ่อในป่าครั้งที่สองหมายถึงท่านพระครู เมื่อสองปีที่แล้วเขาเมาเข้ากรรมฐานฉันเป็นคนสอนให้เองพอเธอไปอยู่กับหลวงพ่อในป่าได้ไม่นานเขาก็มาปฏิบัติแล้วก็หายไปเขายังต้องสะสางกรรมอีกนานแต่ในที่สุดก็จะช่วยฉันเผยแผ่พระศาสนาแล้วพูดกับหลวงพ่อในป่าว่า ผมดูหน้าเขาแล้วเขาจะต้องจบด็อกเตอร์แล้วก็จะได้เป็นศาสตราจารย์ด้วยและจะเป็นด็อกเตอร์ที่ทำให้ชาวต่างประเทศหันมานับถือพระพุทธศาสนากระผมยังอยากฟังพระเถระเจ้าเล่าเรื่องการกู้ชาติขอรับพระบุเฮียวพูดกับวีรกษัตริย์แห่งทนบุรีในอดีต อยากดูเรื่องตอนไหนอีกหลักเราเล่าไปหลายตอนแล้วไม่ใช่หรือตอนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขอรับกระผมอยากทราบว่าเมื่อพระเทระเจ้าต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทั้งด้านการเมืองและการศาสนาท่านมีวิธีการอย่างไรจึงสามารถรักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้พระเทระเ จ, จ้าจึงเล่า ว, ว่า แม้บ้านเมืองจะระส่ำระสายอย่างไรเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งพระพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติคู่ชาติบ้านเมืองของไทยมาโดยตลอดเมื่อขึ้นครองราชเราได้ฟื้นฟูรเรื่องพระศาสนาอย่างหนักเพราะถูกกระทาย่ำยีจากพมา่าซึ่งนอกจากจะทำลายถาวารวัตถุต่างๆแล้วยังเผาพระไตรปิฎกจนวอดวายหมดซึ่งเท่ากับพระธรรม ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงเราต้องลงไปเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อขอยืมพระไตรปิฎกมาเอามาอย่างไรขอรับแล้วทางนครศรีธรรมราชยอมให้ยืมหรือขอรับผู้อาวุโสน้อยที่สุดยังคงสงสัยพระเถระเจ้าตอบว่าบรรทุกใส่เรือมาทางนู้น เขาก็คงไม่เต็มใจนักกรอกแต่ก็ไม่กล้าขัดคำสั่งเราซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราสั่งให้คนพระไตรปิฎกจากนกครศรีธรรมราชมาทนบรุรีแล้วนำมาคัดที่วัดบางว่าใหญ่ซึ่งปัจจุบันคือวัดระฆังโคศิตารามคัดอยู่หนึ่งปีเต็มจึงได้นาไปคืนจากนั้นก็ให้ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกรวมทั้ง คำพีวิสุทธิมักด้วยคัดหมายถึงคัดลอกใช่ไหมขอรับพระบุญเยียวถามอีกถูกแล้วเราได้ให้พระสงฆ์ช่วยกันคัดลอกไว้เมื่อคัดลอกเสร็จจึงให้ทำการสังคยนาท่านพระครูเรียนถามว่าพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์บันทึกไว้ถูกต้องตรงกับความจริงใช่ไหมขอรับถูกต้องแต่รายละเอียดมีมากกว่านั้นท่านจำได้หรือไม่หากยังจำได้ช่วยอธิบายให้สิทธิของท่านฟังด้วยขาดตกบกพร่องตรงไหนเราจะช่วยเติมให้เต็ม ขอรับจากการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยทนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไว้พอสรุปได้ดังนี้ท่านพระครูทบทวนความจำแล้วเล่าให้พระบูเฮียวฟังเรื่องที่หนึ่ง ทรงชำระพระอาลัตทีลุงพ่อครับอาลัตทีถ้าจะแปลให้คนฟังเข้าใจจะต้องแปลว่าอย่างไรครับพระบุหยวถามอาจารย์ท่านพระครูจึงตอบว่าอาลัตทีแปลตรงตัวว่าผู้แก้ยากซึ่งก็คือผู้หน้าด้านนั่นเองในที่นี้แปลให้เป็นภาษาพระว่า ผู้ไม่มีความละอายหมายถึงภิกษุผู้มักประพฤติละเมิดพุทธบัญญัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงให้ชำระพระอลัตชีซึ่งในเวลานั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากที่เป็นพวกเจ้าพระฝังก็มีทรงประกาศให้บรรดาพระสงฆ์หัวเมืองฝ่ายเหนือ มาดำน้ำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนผู้ใดทนได้ก็โปรดให้ดำรงอยู่ในฐานานุสักผู้ใดทนไม่ได้ก็ให้สึกออกมาแล้วให้สักข้อมือใช้ให้ทำงานหนักผู้ใดกล่าวเทศว่าตนบริสุทธิ์แต่พอจะให้ดำน้ำพิสูจนกลับสารภาพว่าตนเป็นปราชิก ก็โปรดให้นำตัวไปประหารชีวิตเสียกระผมเล่ามาถึงตอนนี้ขอพระเดชพระคุณพระเทวะเจ้ากรุณาเพิ่มเติมในรายละเอียดด้วยขอรับพระเทวะเจ้าจึงเล่ารายละเอียดว่าพิธีดำน้ำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เริ่มในวันอังคารขึ้นหคำ่ำเดือนส1อ ปีขานพุทธศักราช2013เมื่อเสร็จพิธีแล้วพวกที่ดำได้เสมอนาฬิกาคือดำได้ตามเวลาที่กำหนดเราก็ให้อุปสมบทใหม่แต่ที่แพ้มีมากสะบงจีวรกองเป็นพเนินเราก็ให้เผาทิ้งเสียแล้วให้นำผ้าไตรจีวร 1,000 ชุดนิมนต์พระราชาคณะ ฐานานุกรมจากธนบุรีไปห้าสิบรูปอุปสมบทพระสงฆ์เมืองเหนือเส้นใหม่ให้พระโพธิวงศ์ศาสรจารย์อยู่ประจำเมืองพิษนุโลกพระพิมลธรรมอยู่เมืองฝางพระธรรมเจดีอยู่เมืองทุ่งยัง้งพระธรรมอุดร อ, อยู่เมืองพิชัยพระเทพกวีอยู่เมืองสวรรคลโลก เพื่อชาระพวกตาลชีต่อไปพระยาตากคิดว่าการดำน้ำพิสุดนความบริสุทธิ์เป็นการยุติธรรมแล้วหรือหลวงพ่อในป่าลืมตาแล้วจึงถามไม่ยุติธรรมขอรับเพราะพระที่ประราชิกแต่สามารถดำได้ตามเวลาที่กําหนดก็มีพระที่บริสุทธิ์แต่ไม่สามารถดำน้าได้ ตามเวลาที่กำหนดก็มีแต่กระผมไม่ทราบว่าจะใช้วิธีใดที่ดีไปกว่านี้ก็ตอนนั้นกระผมยังไม่พบหลวงพ่อแม่หากว่ากระผมไม่ได้มาบวชคงต้องรับกรรมนหนักหนาสาหัสเป็นแน่ก่อนบวชมิได้เป็นสาเหตุเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าบวชแล้ว มิได้ปฏิบัติจนถึงขั้นตัดความหลงในสงสารได้ระยาตาก็ต้องรับกำหนักนาสาหัสอย่างที่พูดมาเพราะความกรุณาของหลวงพ่อโดยแท้ที่ทำให้กระผมไม่ต้องไปเกิดในอบายพระเทราเจ้าก้มลงกราบหลวงพ่อในป่าสามครั้งด้วยสำนึกในพระคุณจากนั้นจึงบอกให้ท่านพระครูเล่าต่อ เรื่องที่สองส่งให้รูปรวมพระไตรปิฎกได้เสด็จนครศรีธรรมราชและโปรดให้นำพระไตรปิฎกฉบับเมืองนครศรีธรรมราชมาเป็นแม่แบบส่งให้คัดลอกไว้หลายจบแล้วพระราชทานให้พระสงฆ์ในอารามใหญ่ๆเสร็จแล้วจึงส่งคืนนครศรีธรรมราชคมพีใดขาดตกบก ทรง่งให้ไปแสวงหาถึงประเทศเขมนเช่นคมพีวิสุทธิมักในทนบุรีไม่มีก็ทรงให้พระเทระสองรูปคือพระเทพกวีไปเขมนและพระพรมมุนีไปนครศรีธรรมราชเมื่อนําคมพีวิสุทธิมักมาขลอกไว้ตอนเสียกรุงครั้งที่สองเมื่อปี23งพสิบ บ้านเมืองและวัดถูกไฟเผาคัมภีร์พระไตรปิฎกก็พลอยสูญหายไปด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงหวั่นเกรงว่าเมื่อไม่มีคัมภีร์อันเป็นหลักแล้วพระศาสนาจะอันตรธานไปโดยเร็วจึงโปรดให้สืบหาต้นฉบับพระไตรปิฎกตามหัวมืองต่างๆเท่าที่จะหาได้ มาคัดลอกไว้เพื่อสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงขึ้นพระเทระเจ้าช่วยเสริมว่าแต่การสร้างพระไตรปิฎกยังไม่ทันสำเร็ จ, รจก็เกิดเหตุการณ์จำเป็นต้องผัดแผ่นดินแต่สหายของเราก็ได้รับงานนี้ไปสารต่อจนสำเร็จนอกจากนี้เรายังบารงการเล่าเรียนพระไตรปิฎก ให้กำลังใจแก่ผู้เรียนดีโดยถวายไตรจีวรบ้างปัจจัยทยธรรมอย่างอื่นบ้างตามสมควรและยังขอร้องให้พระภิกษุสงฆ์และสัมมาเนรมั่นอยู่ในธรรมวินัยเราถึงกับปวารณาไว้ว่าหากมีศีลบริสุทธิ์แล้วแม้เลือดและเนื้อของเราก็สามารถถวายได้ถ้าท่านทั้งหลายต้องการ เมื่อพระเทระาเจ้ากล่าวจบท่านพระครูจึงสาธยายต่อเรื่องที่สามทรงจัดสังฆมณฑลโปรดให้ประชุมพระเทรานุเทระเท่าที่มีอยู่ในราชอาณาจักรโดยประชุมที่วัดบางว่าใหญ่ทรงเลือกพระเทรรที่ทรงคุณธรรมแล้แต่งตั้งขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชซึ่งได้แก่ พระอาจารย์สีจากเมืองนครศรีธรรมราชพระอาจารย์สีเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาและทรงคุ้นเคยกันมาก่อนได้หนีพมา่าไปอยู่เมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้ยังทรงแต่งตั้งพระเถรานุเถระอื่นๆให้เป็นพระราชาคณะและให้มีฐานานุกรมตามสมควร นิมนต์ให้อยู่ตามวัดต่างๆสั่งสอนคัน ธ, ธุระและวิปัสนาธุระแก่พระภิกษุสา ม, มนเณรต่อไปสาธยายมาถึงตอนนี้สมภารวัดป่ามะมว่วงเรียนถามพระเทวะเจ้าว่าในรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระสังฆราชมีพระนามว่าสี และประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าเป็นองค์เดียวกับสมเด็จพระสังฆราชสีในสมัยทนบุรีความจริงเป็นคนละองค์หรือองค์เดียวกันขอรับเป็นองค์เดียวกันที่ท่านถามอย่างนี้เพราะเข้าใจว่าเป็นคนละองค์กันใช่ไหมยังมีคนเข้าใจผิดอยู่มากนะและเป็นหน้าที่ของท่านที่จะทำให้พวกเขาเข้าใจ ออย่างงถูกต้อขอรับกระผมขออนุญาตเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้คนคิดว่าสมเด็จพระสังฆาราชสมัยทนบุรีกับสมัยรัตนโกสิลเป็นคนละองค์กันได้หรือไม่ขอรับเล่ามาเถิดเรากำลังฟังอยู่พระเทระาเจ้าอนุญาตท่านพระครูจึงเล่า ว, ว่า สมัยรัตนโกศินลป์สมเด็จพระสังฆราชสีถูกปลดจากตําแหน่งเพราะได้กรา บ, บังคมทูลถามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่าผู้ที่เข้าเฝ้าโดยไม่ได้ปลดอาวุธมีโทษสถานใดเพราะขนาดนั้นเจ้าพระยาสุรสีเข้าเฝ้าโดยมิทันได้ปลดอาวุธด้วยเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าอยู่หัว ทรงกว่าพระหัตเรียกจึงขึ้นจากเรือมาเฝ้าขณะนั้นสมเด็จพระสังฆราชสีกําลังสนทนาธรรมกับพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาท่าน้ำเห็นเจ้าพระยาสุรสีเข้าเฝ้าในลักษณะนั้นจึงกราบบังคมทูลถามถึงโทษของการเข้าเฝ้าโดยมิได้ปลดอาวุธพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด âm รัสถามเจ้าพระยาสุรสีท่านก็ตอบว่ามีโทษถึงประหารชีวิตและกราบทูลให้ประหารชีวิตตนเสียพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชด âm รัสถามอีกว่าหากไม่ประหารชีวิตจะต้องถูกลงโทษสถานใดท่านก็ตอบว่าต้องถูกเคี่ยนหนึ่งร้อยทีมีพระราชด âm รัสถามอีกว่า ถ้าไม่เคี่ยนร้อยทีจะเคี่ยนกี่ทีตอบว่าแปดสิบทีและเมื่อมีพระราชดํารัสถามอีกจนในที่สุดเจ้าพระยาสุรสีกราบทูลว่าหกสิบทีจึงทรงเคี่ยนครั้นเคี่ยนได้ยี่สิบทีก็หยุดไม่ทรงเคี่ยนต่อเหตุใดจึงไม่เคี่ยนต่อขอรับ ท่านถามพระเถระเจ้าเราเคียรไม่ลงอย่างที่บอกแล้วว่าสหายของเราและน้องชายของเขามีบุญคุณต่อเรามากนึกถึงตอนที่เขาบอกว่าพาแม่นกเอี้ยงมาด้วยเมื่อไปสมทบกับเราที่จันทบุรีเราก็เลยเคียร์ไม่ลงเหตุการณ์ครั้งนี้เองที่ทําให้คนสมัยนั้นไปเล่าลือกันว่า เมื่อสหายของเราขึ้นครองราชสมบัติจึงปลดพระสังฆราชสีเพราะทรงเชื่อพระอนุชาซึ่งมีความอาฆาตแค้นเคืองในสมเด็จพระสังฆราชแท้จริงเป็นการใส่ร้ายเจ้าพระยาสุรศีพวกที่ช่วยกันประโคมข่าวเป็นพวกที่ไม่หวังดีต่อแผ่นดินเราขอยืนยันว่าเจ้าพระยาสุรศี ไม่ได้มีจิตใจเช่นนั้นตรงข้ามเขาเป็นคนใจดีมีเมตตาและที่สำคัญคือเขารักพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างที่เรารักถึงพี่ชายของเขาก็เช่นกันเมื่อได้กระทําพิธีปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ได้ทำงานทุ่มเทให้กับพระศาสนาดังปณิทานที่ปรากฏในนิราชท่าดินแดงของเขา ความตอนหนึ่งว่าตั้งใจจะอุปธรรมพกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีสหายของเราได้สืบสารงานพระศาสนาต่อจากเราคือการทำสังคยนาพระไตรปิฎกที่เราทำยังไม่ทันเสร็จก็เกิดความจำเป็นต้องพลัดแผ่นดิน ดังที่ได้เล่ามาแล้วกระผมทราบมาว่าก่อนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินจะทรงสถาปนาพระอาจารย์สีขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชในเวลานั้นเมืองทนบุรีก็มีสมเด็จพระสังฆราชอยู่แล้วใช่ไหมขอรับพระเทระเจ้าอธิบายว่า ถูกแล้วคือสมเด็จพระสังฆราชดีหรือพระอาจารย์ดีที่คนทนบุรีพากันลืมใ ส, ส่ศรัทธาต่อมาภายหลังเราทราบว่าตอนกรุนแตกครั้งที่สองพระอาจารย์ดีเคยบอกที่ซ่อนซั์ผู้อื่นให้แกพ่พม่าจึงถอดสมเด็จพระสังฆราชดีที่เราเป็นผู้สถาปนาขึ้นออกเสียจากตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช แล้วสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสีขึ้นแทนทำไมพระอาจารย์ดีต้องบอกที่สอนซับผู้อื่นให้แกพม่าด้วยขอรับพระบูเหียวไม่เข้าใจพระเทวะเจ้าจึงพูดกับท่านพระครูว่าท่านเคยอ่านประชุมพงสาวดารภาคที่หกใช่ไหมช่วยเล่าให้พระบูเหียวฟังได้หรือไม่ได้ขอรับ สมภารวัยใกล้หกสิบรับคำแล้วจึงเล่าว่าประชุมพงสาวดานภาคที่หกได้บันทึกเรื่องราวต่างๆ ต, ต, ตอนเสียกรุงครั้งที่สองไว้ว่าเมื่อพ ม, ม่าเข้าพระนอครอได้นั้นเป็นเวลากลางคืนพ ม, ม่าไปถึงไหนก็เอาไฟจุดเผาเย่าเรือนของชาวเมืองจนกระทั่งปราศาสตร์ราชมียน ไฟไหม้ลุกลามสว่างสวยัยราวกับเป็นเวลากลางวันครั้นพม่าเห็นว่าไม่มีผู้ใดต่อสู้แล้วก็เที่ยวกเก็บรวบรวมรัพย์จับผู้คนอลมานไปทั่วทั้งพระนครแต่เป็นเพราะเวลากลางคืนพวกชาวเมืองจึงหนีรอดไปได้มากพม่าจับได้สักหนึ่งหมื่นคน ส่วนพระเจ้าเอกทัศนั้นมหาดเล็กพาลงเรือน้อยหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ในสมทุมพุ่มไม้ที่บ้านจิกริมวัดสังฆาวาสแต่พมา่ายังหารู้ไม่จับไม่ได้แต่พระเจ้าอุทุมพรซึ่งพนวดกับเจ้านายโดยมากทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย และพระภิกษุสั ม, มนเณนีที่นี้ไม่พ้นพ ม, ม่าก็จับเอาไปคุมรวมไว้ที่ค่ายโพสามต้นส่วนผู้คนพลเมืองที่จับได้ก็แจกจ่ายกันไปควบคุมไว้ตามค่ายนายทัพนายกองทั้งปวงแล้วพ ม, ม่าเที่ยวเก็บยึดทรัพย์สมบัติสิ่งของหลวงของราษฎรตลอดจน เงินทองของเครื่องพุทธบูชาตามพระอารามใหญ่น้อยไม่เลือกว่าของที่จะหยิบยกได้หรือไม่พึงยกได้ดังเช่นทองเงินที่แผ่หุ้มพระพุทธรูปมีทองคำที่หุ้มพระสีสันเพชรเป็นต้นพม่าก็เอาไฟสุมพระพุทธรูปให้ทองละลายเก็บออามาจนสิ้น เท่านั้นยังไม่พอพ ม, ม่ายังจะเอาทรัพย์ซึ่งราษฎรฝังซ่อนไว้ตามวัดว่าบ้านเรือนต่อไปอีกเอาราษฎรที่จับได้ไปชำระซักถามให้ลวงล่อ ก, กันเองใครเป็นโจ์บอกทรัพย์ของผู้อื่นให้ได้ก็ยอมปล่อยตัวไปส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์ถ้าไม่บอกให้โดยดี พม่าก็เคี่ยนตีและทำทันกรรมต่างๆเร่งเอาทรัพย์จนถึงล้มตายก็มีมีเรื่องปรากฏขึ้นเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงตั้งพระอาจารย์ดีครั้งกรุงเก่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกภายหลังได้ความว่าพระอาจารย์ดีเคยบอกทรัพย์ผู้อื่นให้พมา่า เมื่อเวลาถูกขังอยู่พระอาจารย์ดีเลยถูกถอดจากที่พระสังฆราชทินนี้เธอพอจะเข้าใจหรื อ, อยังละ่ะบูเหียวท่านพระครูถามสิทธิ์แล้วกราบเรียนพระเทระเจ้าว่ากระผมอ่านตามตัวอักษรที่ปรากฏในประชุมพงสาวดานภาคที่หเลยนักขอรับอ่านด้วยกระสิน อานด้วยกสิณเป็นอย่างไรครับลุงพอพระเทระอายุน้อยกว่าองค์อื่นๆถามอีกฉันลืมไปว่าเธอมาทางวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นจึงไม่เข้าใจเรื่องสมถกรรมฐานกสิณเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีทั้งหมดส0สิบได้แก่ กสินสิบอสุภะสิบอนุสติสิบอปมัญญาสี่อาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งจะตุธาตุ ว, วัตถฐานหนึ่งและอรูปสี่รวมเป็นสี่สิบและพูดกับพระเทวะเจ้าว่า กระผมเคยเจริญสมถะกรรมฐานมาก่อนที่จะพบกับหลวงพ่อในป่าขอรับและเคยหุงปรลอดด้วยเตโชกระสินหลวงพ่อครับกรุณาอธิบายกสินสิบให้ผมฟังได้ไหมครับผมอยากทราบว่าหลวงพ่อใช้กสินอ่านพงสวดานได้อย่างไรพระบูเหียวขอร้องอาจารย์ของท่านอาจารย์จึงต้องอธิบายว่า กสินหมายถึงวัตถุอันจูงใจหรือวัตถุสำหรับเพ่งเพื่อจูงจิตให้เป็นสมาธิมีสิอย่างได้แก่ปฐวีกสินกสินคือดินกสินที่ใช้ดินเป็นอารมณ์อาโปกสินกสินคือน้ำเตโชกสินกสินคือไฟ วายกสินกะสินคือหลมนีลกะสินกะสินคือสีเขียวปีตะกะสินกะสินคือสีเหลืองโลหิตตะกะสินกะสินคือสีแดงโอทาตะกะสินกะสินคือสีขาวอโลกะกะสินกะสินคือแสงสว่างและ อากาสกะสินกสินคือที่ว่างเปล่ากสินที่ใช้ที่ว่างเปล่าเป็นอารมณ์ลุงพ่อขอรับกระผมจะเจริญสมถกรรมฐานจะได้หรือไม่ขอรับกระผมต้องการเจริญกสินจะได้ใช้กสินอ่านหนังสือพระบูเหียวถามหลวงพ่อในป่า ไม่จำเป็นจุดมุ่งหมายของการเจริญสมถะก็เพื่อจะใช้เป็นบทฐานในการเจริญวิปัสสนาในเมื่อเธอสำเร็จวิปัสสนาแล้วสมถะก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเราไม่เห็นด้วยกับผู้ที่เจริญสมถะเพราะมีจุดมุ่งหมายอยากจะได้อิทธิปาฏิหาริย์อย่างที่พวกโยคีเขาปฏิบัติกัน เพราะนั่นมิมใช่จุดหมา ย, มายของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อในป่าตอบทั้งที่ยังหลับตา